จะไ น, นพวกเธอรู้อยู่ยังเคยเื้อเฟื่องที่กรอนที่ตัดสินไปแล้วอย่างถูกต้องเพื่อพิจารณาใหม่เล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้